เคลนหรือเปลนะ่านเอากรอนกันเลยนะอ่ะอาเฝ้าเค่นมันเย็นอ่อาอุทิศส่วนบุญถึงเป ต, ตยาบิดามาดาปุยาตายายญาติของพวกเขาที่พวกเราอาศัยเกิดอ่าพวกเราอาศัยเกิดนํำพอ่อเมพี่น้องหรือว่าขาเจ้าก็เกิดนํำเฮาขึ้นกันอ่าแต่สมัยก่อนศาสตร์กร่อนดึกดำบรรพานมาก คนละหลายล้านเถี่ยวผ่านมาแล้วเคยเป็นญาติพี่น้องกันมาทํานองนี้อันนี้ละบางวิญญาณจิตวิญญาณบางกลุ่มกับอาภัพอาบจนบ่มีแนวสิยูสิกินถือว่าเมื่อเวลาทํ า, วา่วมซัวกรรมพักดันไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายหิหย่ยวหอยยูจังสันบ่ไดยูได้จิน ผ่านไปหลายล้านปีก็มีบางกลุ่มบ่ามันอายุสั้นหมื่นปีแสนปีเลยหลายล้านปีไปเลยอายุของเป็ดจำบางจาพวกเอกระทนทูกทรมานทุกสัตว์แหะนังทองนี่เหี่ยวติดสลังหนาทองหนังทองเขาบะมีเข่ามีหนามมีตะนังห่มกระดูกไว้ซื้ออโซอเซไปหันไปหนีมาสานันแต่ว่า เขาก็ต้องการอยากได้ความสุขอยู่แต่มันกับว่าใดเพราะว่าตัวเองเฮ็ดไว้พอดีเมื่อเวลาเป็นมนุษย์ว่าดดเคยทำค่วมดีไวใส่ตัวไวก็หิวโหอยอุดอยากยุ่งสัน่นส่วนผู้ใดทำค่วมดีไวไปจุดตีเกิดอยู่ในเทวโลกไปอยู่ในสวรรค์สันต่างๆมีหมองยูหมองเศร้าอาศัย เ, เต็มไปด้วยของทิพย์ว่าดอุดได้ อ, ดดา ย, อยากมันต่างกันยุงสัน่น พระพุทธเจ้าเพเลินก็เลยว่างคําสอนไว้สาหรับพวกญาติโยมเฮาเพลินกัให้มีสินหาประจําใจไว้เพื่อป้องกันว่าให้ได้ไปตกในท่างทีสัวในภพออบายภูมิทีเว้ามาสุฟันะเพิินกับป้องกันตัวนี่แหละสมควรอย่างยิ่งที่เฮาเกิดขึ้นมาจะเป็นคนแล้วที่เฮาได้เกิดได้มีซีวิตยซีว่าขึ้นมาได้ยินคําสอนของพระพุทธศาสนา อได้ปรับพฤติปฏิบัติเอาคําสอนเพื่อนน้อมนํามไปประพฤติปฏิบัติอันนี้แหละทหาเข้ามีสิ่งเหล่านีไว้เฮ้ากษัตริยไปเกิดได้พบทีดีคติทีดีอันนี้มันต่างกันนี่พบที่มีค่วมสุกสุกกว่าเฮ้าพบที่มีค่วมสุขทุกเนี่็ทุกไปคัด ก, ก็เฮ้าหลายมากไปสัตวดเอกสารก็ยังเขากินหญ้ากินใบไม้มากไม้เขากินได้แต่ว่าพวกเปรตพวกพวกระเจืกรกายเนี่ เจ้าสดไปเกิดอยู่ฟังน้ำก็กินน้ำบ่ได้เหลยวเห็นน้ำวา่าเสดมากินน้ำพ่อมาหอดแล้วๆเลยน้ำกายเป็นแผ่นหินน้ำเนี่ยกายเป็นแผ่นหินไปซะเลยกินน้ำบ่ได้หิวยุจังสันต้องการยุจังสันต้องการค่วมอยากอยากกินเขา่ากินน้ำอยากกินอาหารการกินหิวโหยิุงสันข่วนข้ามยุงสันถ้าพอมีอยากพี่นอ้องอุทิศส่วนบุญให้ กระเมิดหวังซุ้มนี่เป็นยูสันอันนี้แหละให้เข้าเมื่อเวลาเข้าเกิดมาเป็นคนแล้วให้เข้าสร้างค่วมดีใส่ตัวเองสร้างค่วมดีก็จะว่าให้งดงดการกระทําซัวที่หาขอคือจังเข้าหลับไปให้เข้าเวน้นมันก็เป็นสิ่งสาคัญสิ่งสาคัญว่าอขอที่นึงกับการขาดชีวิตการผ่าชีวิตเข้ากระหัก ชีวิตของเขาก็ขึ้กันเขากห็หากชีวิตเขาคือกันเขาบอได้วา่าโอ้ยภาษาเกิดมาแล้วตายง่ายๆเขาบอได้วา่าสันนิษฐเขาก็ะหวงคือกันเหงื่หวงห่วงชีวิตคือกันทุกตัวตนอันนี้แหละคนก็เรียว่าถ้าหากถือเขาเจ้ามาจับพอมเมยเข้าไปขาเขาก็ต้องสู้ขันต้อสู้บ่ได้เปะละ่าจังสีง่อมาเขาขาแต่ว่าเขาขากะซางแต่ต้องผูกอาขาดีดบ่ผูกอาขาดจองเวีนไว้ เอามือสะาดลุ่นให้กูเรีขามือมืงขาคือมือขาของกูนี่ละมันก็ต้องจองเว้นกันไว้สิอันนี้แหละเพิ่นกันเล่หามค อ, อที่หนึอที่สองขึก้กันกระมือก้วมสําคัญคือกันอคันขึ้นว่าซีว่าของเฮ้ า, าบ่มีผู้ใดอยากผู้ใดเอาไปดเด้ขันไ้ซื่อๆนี่ไฮใดเด้ไฮท่านหไฮใหไฮบอดีจากท่านไฮสิ่งของคนหยากจนเขินใจ ให้โม่พวกให้พี่นอ้องให้ได้ฮะแต่ว่าขันมะลักเนี่ยแอบเครียดเรืนั่นหรอบ่พอ่โอโพอ่อพ่อใจคากันได้ซ้าเงินหาบาทนี่ขากันได้เลยนั่นละ่ะซ้าเงินหาบาทก็เป็นกรรมเป็นเวียนในขี้กันเนีมันกระ บ, บ่กมันที่ว่าสี่ที่ ว, ว่านิดหน่อยดิยอ่พระพุทธเจ้าเพื่อนปรับอาบาัตแครซ้ำ ส, สว่าล่าค่าซ้าเงินบาทเดียวนี่ย สัมสื่อยาซ่องก็บ่าไรกอกหนึ่งหมสมัยสมัยสมัสมัอสยาไดยเมัดสมัยสมัยสมัย ส, ย ม, ส ม, มัยสมัยามัยสมัยสมัยมัยสมะยสมายสมัยสมัยก็ัปสมกยสมัยสมัยสมัยสจากสมัยสมัยสมัยสมายสมัยสมัยสมัยับอาบยสบบัยนมัยนมัยสมัยสมัยสเัย่มัยสมัยสมัยสมัยสมัยสมัยกัยสมัยสมัย เ, กกเป็นบาปยสายสมัยสมัยสามัยส ม, ม, มัยสมัยสมัยัยมัยสมัยัยสัยสมัยยสัมยัย ผู้ใดกังหงห่วงของไผ่ของมันอทุกคนพอแม่ลูกหลานของเฮาอาอผู้ใดมาลวงละเมิดเครียดหลายสร้างหลายขากันใดขึ้นกันอันนี้ก็เลยพอรักพอขี่ตัวขึ้นกันพอขี่ตัวเนี่ยว่ามันตัวนิ ด, น, ด, น, ดน้อย เ, ยเย น, อ น, อนีลมขั้วเงี่ยนจนหย่อนลมขั้วเงี่ยนหย่อนต้มกันไปนอกไปหน้าต้มเอาเงินไล่ไลกันนะี่แหละต้มกัน ขาเจ้าตุ่มกันนี่นน้อยๆล่ะไปเห็นอยู่อ่าอ่าคนละสมสะุทรสาครอ่าขาเจ้าก็เป็นด็อกเตอร์คือเนี่ยอ่าบานหลังน่ะลูกเขยเป็นด็อกเตอร์แต่ว่าลูกสาวลูกชายนี่ปลิ้ญยาโทษอ่าอ่าลูกสาวลูกชายบานหลังน่ะข้าเจ้าเป็นบริษัทไส้วาลี่บริษัทนี่เห็ดกุ้งกับปา๋ามึกส่งไปขายประเทศมากเก็งอังกฤษฝรั่งห่วงอี่ปุ่นนี่ล่ะ หาประเทศข้าเจ้าส่งของจากบริษัทนันไปขายตะกอนหาประเทศสวงนันหลุดไปปู้สวงเป็นผู้นำหลวงปู้สีปู้สวงปู้สีปู้ดำปูไ้ไหมหลวงตาช่มไม้แหละผ้าผ้ า, ผาลงไปเห็นถบุญบานเขาเจ้าต่จีข้าเจา้ก า, เจาก็เลยอา่านว้าเรื่องอา่าพ่วมเป็นอยู่ของคนอา่าห่คามค่วมหลอกล่วง ค้าเจ้าถือหลอกล่วงสามสิบล้านกระตัวเอาเนะี่ยตัวเอาเงินลูกสาวเพื่อนนะคุ้นขวนใจสิโยมขวนใจลูกสาวเพื่อนอายุก็สิเกิดหลังหลวงพ่อจากน้อยนี่แหละอะย่างหนึง่งสิ้สีกันนี่แหละระยะตะดนลราเด้กตั้งแต่หลวงพูสวงเพื่อนผ้าไปสมุทรสาครต่ก่อนบ้านนี้มือที่แหลกเนี่เที่ยวที่แหลกเขาก็ามาตีสนิท พี่พี่ไปสิฉันเมื่อ น, นี้ผมต้องการเงืนสดผมเลือมีงแต่ดาบไปสิฉันผมมีดาบยั่ไงไวสิฉันได้เขาก็เลาเอาดาบไห้ดาบฮาลานเขาขอเงินซีหลานกลัวเขาขอเงินสดนําขุ้นควันใจไปซีหลานซีหลานหาเศษเสมออให้พี่ไปแหลกเอาเลยไปสิฉันได้ออ่ากําไรของพี่เลยว่าิฉันได้เพิ่นได้แล้วได้กําไรหาเศษเถี่ยวที่แหลก เขาเอาเขาเอาซํานั่นบาดเกี่ยวรุ่นมากเขาเขาก็ต้องการเงินสดอีกบานเนี่ยแต่ดาบเขาสามสิบล้านได้บ้านี้เอาเงินในเขาบ้านี้เอาเงินในเขาไปทอดได้เป็นยีน่สิบกว่าล้านแปลสามสิบล้านบานนี้บานนี้เพื่อนก็ดีใอยูุ่คนคือว่าเพื่นจะขึ้นไปไ ป, ไปแหลกเอากําไรขึ้นเก่าละ่ะแหลกําไรขึ้นเก่าละไปบานนี้เงินไม่มี อันสามสิบล้านเ่ามีเงื่อนสัมนี่ตัวเอาจังสิทธดิดอกเตอร์เนี่ยลูกเคยเป็นด็อกเตอร์การยั่งถือกหลอกได้ขึ้นกันอันนี้แหละปาดโถคนเฮาอเรื่องคอตัวเนี่ยพระธามาดาค อ, อเมาเด้่ยบ่เนี่ยคอเมาคอซุลาเนี่ยคันซื่อว่าของเมืนเม่าพวกพะย่ายหน้านยังสิทธิ์ละอ่า กินที่กินเขาให้กินแต่ละซ้อนหนึ่งอันยาพญานาคมันเป็นยาบำรุงยาสติเพ่นภาพยาหั่งสิละฟังว่าเขาเอามากินแต่ละซ้อนสุ่มอันอันไปเม้านี่มันกินเทละสองขวดสามขวดกินเทละแพ็คคนมันก็เมาหายามตัวนะมันก็เป็นสิคงขันเม้าเรี่ยวๆนั้นกล้าดาคนกล้าขาคนเว้าทัวถีบทัวแดนเสียสติกล้า ลวงละเมิดแนวนั้นแนวนี้สารพัดอันนี้แหละศีลหานี่ขอขอที่หานี่เป็นแนวผ้าเห็ดถําควา่ำเสว่าใดมัดถุกอย่างอศีลขอสุล่านี่อถ้าหากเมาแล้วเนี่ยเข็ดใดทุกอย่างบอ่บอยึดบ่อยากบื่อหยาบเบื่อจนอสร้างมากินตะพืชตะพื้นเบ่อใดยานไผ่เบ่อดเกิดว่ามันสิเป็นหนีเป็นศีลบื่อใดขิดยานไปทั้งิีลกันเมาแล้วเป็นสั่น ก็เลยทำข่วมซัวได้ศีลขอหานี่แหละเพื่อนเขาจะเจ้าเพื่อนเห็นสิ่งสําคัญแล้วแนงจังสี่เพื่อนก็เลยว่าให้เข้างดเวน้นให้เข้ามีข่วมละอายต่อบาปต่อกรรมถ้าหากเข้าฝึกภาวนาจิตของเข้ามันลงโล่งไปจิตของเข้ามันลงเลยแหละมันไม่ข่วมละอายต่อบาปขึ้นมาในใจเราเด้บาลนี้่คือว่าใจเข้าได้บวชเขาได้บวชใจ ใจเฮามี่คว่ำละอายต่อบาปต่อกรรมบกา่าฝืนเรื่องพระธรรมวินัยที่ว่าเพิ่นบัญญัติหามบกา่าฝืนมันจะเป็นงั้นสันเลยอันนี้คือมันเกิดขึ้นมามันเป็นที่ว่ามันเกิดขึ้นเองที่จิตใจเขาเฮามี่คว่ำลาอายต่อบาปต่อกรรมมันเกิดขึ้นอันนั้นเรต้องไปรับศินญาตัวนั้นอันนี้พวกโม่เฮากะพระยา่ยามที่ว่าให้รักษาเอาสิ่งใดที่ว่าเพิ่นหาม คือไฝยิมัมหัวเท้าห้เท้าคิดจังสันคือกรรมคือโทษที่เท้าเสด้ไปต่องจองจําเรียกว่ายึ่ในหน้าหลบข้าเจ้าบดได้มีวันคิดวันเสาวันหยุดหรือว่าทีว่ามียศมีลดมีพรคือจังว่าน่ายหลวงเสด็จหันน่ายหลวงเสด็จนี่เขาเจ้าลดโทษให้คือเมืองมนุษย์เท้าอันมู้นั่นว่ามีลดโทษอา่าว่ามีโอกาสที่เสดว่าหายใจถูกทรมานยุ่งสันตลอดไป อันนี้มันเป็นสัน้นให้เข้างดเว้นเอากรรมดีกรรมซวกรรมเนเข้าเป็นผู้ต้องการเป็นผู้เข้าที่ว่าเป็นผู้ฟื้นอา่าเข้าฝึกหัดฟื้นเอาอ่าที่เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์นี่บได้กีปีเข้าก็ตายจากโลกนี่ไปนะีถ้าหากเข้าทํคาค่วมดีข่วมดีไปจุดติในเทวโลกไปสเสวยค่วมสุขญุ่นเป็นหลายร้อยล้านปีก็มี่บาง จำพวกเพลิอนอบ่แมนสํามลาล์ปีได้นี่หลายลอยล้านเป็นหาสิบล้าน30มสิบสี่สิบล้านไปพปรดเรื่องอายุของพวกเทวดาขันเข้าถ้ำก้มซัวบนีปไปตกนรกโมกไม ย, ยุ่หลายกลับหลายกันคือกันเพลินว่าเป็นพุดท่านดอนเป็นอสงไข่เพลี่ยไปสั่นอ่ามันหลายล้านปีคือกันอายุของพวกรอนั้นก็ได้แต่ว่าอายุของเขานี่ อายุของโลกมนุษย์ในยุคนี้มันก็ตร้งแ่เจ็สปีแปสิปีผู้เพิ่เยืนกันได้เก้าสิบได้ร้อยปีเน่ยก็ยุ่ซ้ำนี่มิตรหน่อยลงไปเรื่อยๆหน่อยลงไปจนหอดสิปีตายพระพุทธเจ้าเพื่อนบอกไว้จังสัน้นพระพุทธเจ้าน่ะเพื่อนลู่แจง้งลู่ลวงที่ว่าตั้งแต่ย้อนอดีตศาสตร์ผ่านมาเพื่อนกหัจากมาเมื่อ วามีพระพุทธเจ้ามาตัดสรูแล้วผนะ่านมาแล้วนะ่นสามล้านกวัวองอค์พระภุตะเจ้าเพิ่งบอกแต่สีมาตัดสรูแต่ละองค์ละองคนี่ผ่านไปเป็นล้านสองล้านปีสาล้านปีจะค่อยมาองคหนึ่งน่ยกันย่งหยอดสามล้านกวัวองค์เวลาที่เข้ามาเวียนวายตายเกิดในโลกนี้กับผู้ละหลายล้านเถี่ยวขึ้นกันเข้ากับผสมหวังเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก้ต้องเก็บต้องตายยุคจี่สี่ ยินดีพ่อใจอยังเนติดยู่ในกามจินเกียติเฮ้าก็มาหลงว่ะของกูของกูในที่สุดก็ตายจากมันไปเจ้าสิมีบ่บานเฮี้ยนบานลดล่าหมางว่าคั้วอีหยังกระซังละ่กะก็ตายจากมันไปสัต์เหล่านั่นเขากระนว่าเป็นญาติพี่น้องของเอข้าคือกันเค่อยเกิดเป็นลูกหลานเป็นพอเป็นแม่เข้าคือกันสัต์เลี่ยงของเข้าก็เลยนี่มันเป็นม่ายยุ่งสิ อันนี้ละการเวียนว่ายตายเกิดของพววเขา้ามันผิดหวังมาเรอยๆตั้งแต่ร่างกายตัวนี้ร่างกายที่เข้ามีอยู่ทุกมือนี่เข้ากับพญามรักษามันมันเจ็บมันวินงมันป่วยมันเจ็บท้องปวดหัวกับผ้าเข่าหากินยารักษาน้าหมอน้ำแพทย์เขาโรงพยาบาลรักษาอยู่สัน้นแต่ในที่สุดแม่นสิรักษาไวด้ดีปันได้กระสางลูกเต่าสิหุมสิห้อมไว้จะได้กระสง ก็ต้องตายจากกันไปขึ้นเกา่าอ่าในที่สุดพวกลูกหลานที่เกิดมไม่ไงรุ่นก็ค่อยเท่าไปขึ้นกันค่อยเท่าค่อยตายไปขึ้นกันอันนี้โลกมนุษย์เท่าเป็นยุคจังซี่อันนี้แหละให้เท่าท้ำค่วมดีส่างค่วมดีให้มันหนีจากพบพุ่ทีพาดีเลยเฮ้ให้มันวน้นย่าไปเกิดเป็นเผศเป็นผีย่าไปเกิดเป็นสัดนรกอ่าขันไปเป็นสัดในลาสา กาหนดโอกาสบ่ได้มาทําค้วมดีคือคนถ้าหากเข้ามาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์นี่มันหลู่จักบาปจักกรรมย่างมีคําสอนอยู่างดีเด้เข้าได้มาเกิดอยู่นี่ย่งได้คิดว่ า, อาพอแมียเข้ามีบุญมีคุณย่งหลู่จักบาปจักกรรมเนี่ยอันนี้ก็ย้อนดีว่าคําสอนของพระเทเจ้าเพล่นว่างศาสนาไว้ย่างมีผู้ประพฤติปฏิบัติมากเรื่อยๆ สืบ ม, มาเรื่อยๆเมืองไทยของเขากันยั่งดีประเทศอื่นข้าเจ้าวได้เหตุในถ้ำแต่ข้าเจ้าก็ขึ้นลุ้ยได้ข้าเจ้าคือมีความสุขอยู่คือผลกรรมดีกรรมส่วนวุ่้เหยียดมองเกิดเนี่คนที่ถ้ำข่วมดีได้แล้วนะคนที่ถ้ำข่วมดีแล้วกลับไปชุดติไปเกิดได้วยทั่วที่ทั่วโลกผืนแผ่นดินมองได้กับไปเกิดใดขึ้นเขาจิตวิญญาณของพวกขโม่เฮา บ่เหม่นเฮาบ่เคยไปเกิดไปท่องเที่ยวอมองได้กระได้เที่ยวไปเกิดไปตายยุ่งสี่หละมองได้กระได้ไปเสเวยสุขเป็นบางครั้งบางสมัยยุ่งมองที่มันม่นบวุณไหว้ก็มีคือกันโลกนี่เป็นยุ่งจังสิข่วมบุญไหว้ของโลกเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมาแย่งเอาทรัพสมบัติแย่งเอาประเทศบ้านเมืองกันเป็นยุ่งสิแล้วก็หายูหายจินดินล่น กินของขอยคอยกินของเจ้าเวียนวายตายเกิดยุ่งสิเอาเปียบเอารัดกันยุ่งังสิอ่ายุคที่มันบระจั น, นทันทันเจริญอ่าบางยุคบางสามั้มันกะเจริญแหลี่เสือเเส่อมเจริญแหลี่เสื่อมเกิดเป็นป้าเป็นดงขึ้นมาค้นคอยแพร่ออกมามาทางป้าท้างดงขุดหัวใหม่หัวต่อขืนมากขัวเสียให้เห็ดหน้าได้มาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็สีขยายพันธุ์มาถึงคือจังตะกะะ้อนนั่นแหะ สวงลงพอเขาลงเลียนเขาก็ว่ า, วามี่ประซากวน42 42ล้านขาจะว่าส่วนนั้นเนียอ่าเขาลงาลงเลียนกัพ่อส .06 ร ะ, 6, ะยะจอมพ้นสลิตเป็นหน้ายกเยอ่าเขาลงเลียนขาจะว่ามี่ประซากวแคร 40, 40 40ตน้นตนอ่40 40, 40, 40, 40, 40, 40 100, ล้าน40ล้านววาซ้ำหนีหนึ่งเดระยะน่ะสู้เมื่อไหนกับแพรขึ้นกิดจังสีละขันยอนยุคพอแมเฮาเด้ยบัน สุกงเพลินมาถางปลาถางโดง่งถางปลาถางพงประซากรประเทศไทยเข้านี่ตั้งแต่ก้อนก้นั่นอีกเด้บ่เนี่ยมันก็เป็นเมืองขอมเป็นประเทศอื่นเป็นเผ่าอื่นมาโยอาศัยบนันเนกกรอนมู้นันไปอีกได้บ่เนี้กรแมนกุมอื่นไปอีกเรื่อยๆมันเป็นปลาเป็นโด่งขึ้นมาแล้วก็คนมนุษย์มาโยโต้แปนไป เ, เตือนไปโล่งไปเป็นหมองทํามาหากินของมนุษย์ คนหลายขึ่นหลายขึ่นก็ตายจากแผ่นดินอีกเกิดเป็นป้าเดนดงมามาอีกสับเปลี่ยนกันมาทับน่องนี่อันนี้กิต ด, ดินดานของพวกโมเูเฮาก็เวียนไหวาตายเกิดมาทับน่องนี้บอแมนเฮาห้องก็เกิดบอแมนป้านี่มันห้องก็แปลี่ยวังใดนี่เดิอ่ามันแปลนมาแล้วนับภพบนับสาสตร์มาบ่ได้แล้วมนุษย์หลายขื่นอ่าป้ากับเปลนลงบาดนี้เวลา เอาแปลมาคนหลายๆขื่นก็คักเน่ยตายพ้อมพ่อมก็ดีเมื่ไปอีบเป็นปลาเป็นโดงขึ้นมากกับกรอกยุงสี่หลายหลบหลายล่านเที่ยวแล้วเนี่ยมันเป็นยุงซี่โลกนี่ว่าแมนมันสะอยู่คงทีไปตลอดไปอันนี้แหละมันกลับกรอกยุงซี่อชีวิตของพัวเขา้ากับว่าแมนอายุสี่ยุ่งซํานี่ตลอดไปบางเทียกหอดแสนปีแปดหมืน ป, นปีเก่าหมื่นปีเจ็ดหมืนปีสารพัดทีท่มันลดหลั่นไปเรื่อยๆ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมายังสิละขึ้นแล้วก็ร่งขึ้นแล้วก็ร่วงยังสิชีวิตของขัวเฮ้าอายุไขของมนุษย์เฮ้าเป็นยังส่อันนี้ล่ะข่วมเป็นยูของบ้านเมืองอ่าถึงว่าสิเจริญไปได้กระสางก็ต้องหายูหายินดินล้นมหายูมหาสื่อมาอ่าใส่ใจกินยังสิโลกเป็นยูแบบนี้เน่คันอ่าสมัยก่อนๆเพิ่นประเทไหนมีรถมีล่า คันย้อนขึ้นไปว่าง8ปดสิบปีเก้าสิปีนี่หารถสิขีเลยยังประท่านเห็นอยู่ด้วตะกอนเพื่อนว่าเน่ยเนี่ยมันก็ซ้ำนั่นล่ะส่วนเมื่อนีเต็มถนนหนทางไปตัดทางไปทะเสินก็เต็มไปรถก็ได้เอื้อยากเนี่ยมันกระต่างกันนี่สิสมัยตะกอนเนี่ยเพิ่นว่ามีตะโดงตะปามนักเปลี่ยนสั่นเอืดยากคันอืดเขาอื้อยนามจนไ่ได้จินตุหัวกล้วยจินตุหยวกล้วยซ่วเพ่นอืดเขา กินสมัยตะกอนคือท่างไปเนี่ยมันบรสะดวกสบายไปรับจา้างท่างไกลก็ ไ, ได้ต่างก้นกระต่างอืดต่างหายอยู่หากินยางเอาเด้ก้นหัวคอยหัวมันมาตม้มกินเอาโกต้นก่้ยมาตม้มกินกินซ้ำนั่นขาเจ้าจเวาสู้ฟังอันนี้ไ่ดได้ดนด้วยนี่ยหยกว่างว่งแปปีขึ้นหลังเนี่ยอันที่ว่านีย่ยกอืดอยากยสงข้ามโลก ยุกสงฆ์ข้ามโลกพาสินุงสิถือกระอืดเพิ่นว่าป น, นันเนธอึดอย่ากป น, นันยุคสงฆ์ข้ามโลกนะมันก็อืดแบบนั้นอันนี้แหละเข้าว่าแมนเดว่าเข้าเจริญแล้วจเจริญแล้วสิเจริญไปตลอดว่าเป็นทิสันขันยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยยุคพระพุทธเจ้านั่งวีสาขาเรียว่าอานาถาบิลิกาเศรษฐีนี่เ <brahim> พิ่นทําบุญทําท่านเพิ่นว่าฟื้น เอาเอาฟื้นมาพาเฮ็ดอาหารหงหา้าทำอาหารการกินเอาฟื้นเอาขอกสร้างขอกมามาเฮ็ดในที่สุดเนี่ยเอาผาเอาผาไม่ผาอียังเป็นตับๆน่มาซุปนามั่นจูดไฟเผาเผ า, าไฟเฮ็ดหงาอาหารเลี่ยงผะนะพื่นน่ะนั่งวิสาขาเรืออนาตาบิลิกาเศรษฐีสมัยแต็งต่ ก, กี้ก็พาะอิดเพาะอยาก อ่บ่อื้บ่อยาก่าบ่บบบแมนเดียว่ามันอืดมันอยากมาตลอดแต่ว่ามันก็เป็นบางยุคที่มันไดเอื้อตเน่ยเข่าปลาอาหารคือกันเคียงหนุงหฮมคือกันมันเป็นบางยุคบางสมัยอันนี้จิตของเข้านี่เคยเกิดเคยตายมาถูกยุกถูกสมัยได้บเปนปะบ่แมนเท้าห้องก็มาเกิดเด้จิตของผัวเข้าวิญญาณของพัวเข้านี่มาเที่ยวเกิดเที่ยวตายในโลกนี่เวียนว่ายตายเกิดมาจังสี่ล่ะ นับพบนับศาสตร์มาบ่อยได้เพื่อเรยว่าหลายล้านเที่ยวที่เข้ามาเกิดมาตายอาศัยเกิดตายในโลกนี้มันก็มาพ่อสิ่งเหล่านี้แหละบางครั้งบางสมัยก็จนบางครั้งบางสมัยก็สะดวกสบายคือทุกมื่อนี่นี่อ่าตื่นเสามาปั๊บเนี่ยไปขืนเครื่องบินขอนแก่นพ่นไปกินเขาง่ายเมี่ยงกรุงเทพไหนมันก็เป็นสัจจะไปทําการทํางานโยกพ่นทําการทํางานแล้วแล้วปิดคี้นี้ปับ๊บกลับขึ้นมา เมียงขอนแกลนเมี่ยงสาระข้ามมาเปิดขี้นิกเห็ดผากคํำยุพี่ได้ไปหาสองทุมกระปิดขี้นิกนอนตื่นเศ้ามากกเปิดไปเห็ดกรุงเทพขี้นิกหนึ่งยู่งุ่นเขาเห็ดยังสี่ได้สมัยสมมูลนี่เนี่ยคือสะดวกสบายอันนี้แหะเจะเล่นเจเล่นข้นสุดขีดกระเซียมคอยจะเริ่มแล้วกระเซียมจะเริ่มแล้วก็เสืีอมพอเพลิ น, ละะล น, ละะนวายยุ่จังสี่เนี่ยพบุรีเจา้า เพลินบ่ได้ว่ามันคงเสียนคงว่าอยู่ตลอดไปนะมันบ่ได้อยู่จังสั้นอันะนกลัวเข้าพิจารณาเบิง้งคว่ำเกิดเป็นทุกข์คว่ำเจรเป็นทุกข์หายูหากินก็เป็นทุกข์ยุ่งีิละกลัวลูกเข้าสีใยมากบัดลูกเหงาใยมากแล้วเข้ากับว่าอย่างนี้จากลูกเนี่ยแต่ว่ามันคอยเจ็บคอยไขย่ค่อ ย, อยป่วยในที่สุดแตาตายจากลูกไปนี่คำว่าฮักลูก ลูกตายก็เอาไว้บ่ได้ขันว่าเห่าหักพอหักแม่อพอแม่เห่าสิตายเอาไปรักษาโหลดหมอได้กระสางโรคบาลได้กระสางกระตายคือเกา่าอันนี้แหละมั่นกระยูทำ น, นองนี่สวงแวลาที่เห่ามีล่มหายใจยูทําการทํางานไดยูนี่ก็ะคือดูดีถ้าสละคำข่าขึ้นมาหรือว่าเป็นโลกเก่ า, บ า, าโบรานโลกนั่นโลกนี้ขึ้นมาแล้วนี่ยซ้ำรุดสุดส้มแล้ว ใจกะ น, น่อยลงหน่อยโล่งได้ป่ะนี้เหยียวย่นมเขาเ้าไปเรืยย่อยเรื่อยเนื้อกายของเข้ากะคอยสํารุดสุดส้มไปในที่สุดกะตายจากลูกจากหลานเป็นยุจังซี่ซีวิตของพวกหมูเห่าอันนี้แหละเพื่นยังว่ไย่าประมาทในการที่เข้ามีชีวิตอยู่ช่วงที่เข้าเป็นคนให้สร้างค่วมดีใส่ตัวเองถ้าหากผู้ใดประมาทนี่มันเสียเสียโอกาสเสียเวลาบ่ได้ท่านบ่ได้ทํำคุณค่วมดี เมื่อเวลาเมด่ีสวิตไปแล้วเนี่ยมันก็ไปเกิดยุ่มมองที่ว่ามันอืดๆอย่างๆอ่าไปเปิดเก็นเพลเป็นผีนึ่งมันหังบะมีแนวสิยูสิกลินมันเป็นสั้นอันนี้เขาสางค่วมดีใส่ตัวเองให้มันไปจุดติในใเทวโลกหรือว่าใดาลู่ท่ำเพี้ยนท่ำตามพระพุทธเจ้าไปแอบไปเพินไปยุ่มมองที่ว่าบ่ได้มาเวียนวายตายเกิดอ่าไปยุ่มมองที่ว่ามีค่วมซุขตลอดเป็นนิรันดรไปเลย ให้เข้าได้รูถ้ำเหยี่ยนถ้ำไปจังสั่นมันจะค่อดีตั้งจิตตั้งใจเอาให้เอาบุญกุศลใส่ตัวเองไว้หลายๆเกิดขึ้นม า, าศาสตร์นี่พบนี่ให้สร้างเอาท้ำเอาส่วนที่เข้ากระทําบําเพ็ญได้เข้าเหยีเอาท้ำเอ า, านเอานี่ละ่ะเมือ่อซีวิตไปแล้วก็คือเมดโอกาสส่วนที่ใจเขาเขากับกายเขาเข้ามนนันอยู่น้ากันอยู่นี่ยังมีตัวตนอยู่นี่ยังเป็นตัวเป็นตนอยู่นี่อันนี้ละ่ะเขามีโอกาสเห็ดเอาท้ำเอาเนี่ย เมดชีวิตแล้วกายเมดโอกาสคือไปรับผลบัณฑิตไปรับผลกรรมหรือว่าผลาคุณ ค, คั่มดีนี่ไปเปลี่ยนอย่างสั้นเอาบัณฑิตมารับบ า, าเกนมาบาเกนของ